กา ร, รมัญญาความกำหนดหมายในกรรมที่มีในพบนี้และกา ร, รมัญญาที่มีในพบหน้าทั้งสองประการนั้นเป็นบ่วงแห่งมารเป็นวิสัยแห่งมารเป็นเยือแห่งมารเป็นโคจรแห่งมารในกรรมนี้มีบาปอากุศลทางใจเหล่านี้คืออภิชาบ้างพยาบาทบ้างสารัำพะความแข็งดีบ้าง การเหล่านั้นนั่นเองย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นในเรื่องการนั้นดังนี้ว่าการที่มีในภพนี้และการที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกรรมสัญญาที่มีในภพหน้าทั้งสองประการ น, นั้นเป็นบ่วงแห่งมาร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 อธิษฐานใจครอบงามโลกเพราะเมื่อเราอยู่ด้วยมหคตาจิตอันไพ่บู์เป็นมหคตาอธิษฐานใจครอบงามโลกอยู่บาปอากุศลที่เกิดทางใจคืออภิชาบ้างพยาบาทบ้างสารัมภาบ้างเหล่านั้นจะไม่มีเพราะละอกุศลเหล่านั้นได้แล้วจิตของเราจักเป็นจิตไม่เล็กน้อยหาประมาณมิได้ และเป็นจิต ท, ที่อบรมดีแล้วเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นจิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอเนเชสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆ พึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความวันไหวไม่ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัพเยะแก่อเนนชะสมาบัติประการที่หนึ่งสิบเจ็ดอีกประการหนึ่งอริยะสาวกพิจารณาเห็นดังนี้กรมที่มีในภพนี้และกรมในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้า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 วิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความวันไหวไมิได้ภิกษุททั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่สับปลายะแกะอเนชชสมาบัติประการที่สองอีกประการหนึ่งอริยะสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และการที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้ และกรรมสัญญาที่มีในภพหน้ารูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารูปสัญญาที่มีในภพนี้และรูปสัญญาในภพหน้าทั้งสองประการเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ควรยินดีไม่ควรพูดชมไม่ควรติดใจเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่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 ปติปทาเป็นสัพยาแก่อเนนชาสมาบัติประการที่ส68อีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าการที่มีในภพนี้และกา <AM> ร <intellect. S 1> ที่มีในภพหน้าการมัญญาที่มีในภพนี้และการมัญญาที่มีในภพหน้ารูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารูปสัญญาที่มีในภพนี้ และรูปสัญญาที่มีในภพหน้าเป็นอเนนชัดสัญญาสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในฌานใดฌานนั้นคืออกินจัญญายตนะฌานเป็นฌานอันสงบประณีตเมื่ออริยาสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยาสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอกินจัญญายตนะสมาบัติ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 6 9อีกประการหนึ่งอริยสาวกไปสู่ป่า ก, ก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าสิ่งนี้ว่างจากอัตตาหรือสิ่งนี้เนื่องด้วยอัตตาเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใส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 เจ็ดกประการหนึ่งอริยะสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราไม่มีในที่ไหนหนสิ่งน้อยหนึ่งของใกลๆก็ไม่มีในเรานี้และสิ่งน้อยหนึ่งของเราก็ไม่มีในที่ไหนไหนในใครๆไม่มีสิ่งน้อยหนึ่งเลยเมื่ออริยะสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่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 และรูปสัญญาที่มีในภพหน้าอาเนนชสัญญาและอากินจัญญายตนะสัญญาสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในฌานใดฌานนั้นคือเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมบัติเป็นสมบัติอันสงบประนีดเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในยตนะ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 ที่เป็นสัพยาแกรณิวสัญญาสัญญายตนะสมาบัติเจ็ดสิบเอ็ดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระ อ, อ น, นุนได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราหากจากไม่มีก็จักไม่มีแก่เรา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 บางรูปไม่ปรินิพานในอัตภาพนี้พระพุทธเจ้าค่ะพิสูจในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราหากจากไม่มีก็จกไม่มีแก่เราเพราะเราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปพิสษุนนั้นย่อมเพลิดเพลินชื่นชมยึดติดอุเบกขานั้น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 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นย่อมยึดมั่นอุปทานส่วนที่สําคัญที่สุดหรือพระพุทธเจ้าค่าอานุนภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นย่อมยึดมั่นอุปทานส่วนที่สําคัญที่สุดก็อุปทานส่วนที่สําคัญที่สุดนี้คือเนวสัญญานาสัญญายตนาภูมิเจ็อาอนุน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 วิญญาณก็อาศัยอุเบกขานั้นและยึดมั่นอุเบกขานั้นไม่ได้อานน์ภิกษุผู้มีความยึดมั่นย่อมปรินิพานได้ 73. ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าน่าอาัศจรรจร์จิงไม่เคยปรากฏพระพุทธเจ้าข่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยเหตุนี้จึงตรัสบอกปฏิปทาเครื่องข้ามพ้นโคลา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 รูปสัญญาที่มีในภพนี้และรูปสัญญาที่มีในภพหน้าอเนนชาสัญญาอกินจัญญายตนะสัญญาและเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสักยะมีอยู่เท่าใดนี่เป็นสักยะวิโมกความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่นนั่นคืออมตะอานน์เราแสดงปฏิปทาที่เป็นสัพยะ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 ท่านพระ อ, อ น, นุนมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอเนนชัปสัพยะสูตรที่หจบ